การทำบุญมันอยู่ที่ใจนะโยมนะหลวงพ่ออยากให้พวกเรานั้นทำใจให้เป็นกุศลซะก่อนเราก็จะได้มีกุศลได้มากขึ้นดังนคนทำบุญเนี่ยถ้าเกิดมีความว้าวุ่นใจเนี่ยเชื่อว่าความไม่สบายใจก็ต้องเกิดขึ้นะฉะนั้นคนที่ตั้งใจที่จะมาทำบุญเนี่ยอาตมาเห็นปัจจัยเยอะแยะในเศรษ ฐ, ฐกิจอย่างนี้เนี่ย ก็น่าเห็นใจบรรดาญาติโยมเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อมีหน้าที่นะส่งบุญเหมือนกับต้นบุญให้กับบรรดาญาติโยมก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยที่มาวัดเขาอิฐสุกโตนั้นอิ่มทั้งกายและใจเรียกว่าอิ่มบุญเรียกว่าปิติใจการที่เราจะปิติใจได้ต้องไม่มีความว้าวุ่นใจนะการทําบุญนั้นถ้าว้าวุ่นใจ เหมือนเราตาน้ำพริกละลายแม่น้ำขอให้คุณโยมนั้นตั้งใจหลับตานะเงินเนี่ยมันมีความสาคัญเดี๋ยวใครหาว่าเงินไม่มีความสาคัญแต่จิตใจของคนเหล่านั้น่ะบางคนมีเงินเนี่ยก็มีทุกทางใจทุกทางกายเพราะนั้นตอนนี้ให้ทุกคนหลับตาการหลับตาของทุกคนนั้นต้องยิ้มไว้ในใจ มองใจของตัวเองเราเนี่ยเคยอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราแต่เราเนี่ยไม่เคยเข้าใจตัวเราเองลุงพอ่อเชื่อได้ว่าทุกคนนั้นไม่เคยเข้าใจตัวเองการที่เราจะรู้ตัวเองก็คือหนึ่งปัสสวะกับุจจระแล้วก็การหิวรร่างกายต้องการอาหารเนี่ยเราจะรู้เลยว่า มันปวดท้องท้องมันร้อนนะนี่คือการเข้าใจตัวเองแต่การเข้าใจให้ถึงใจของตัวเองเนี่ยเราจะต้องน้อมจิตนะน้อมจิตน้อมจิตตัวเองของในขนาดนี้เนี่ยบางคนใจกระด้างใจแข็งอยู่ยิ้มเข้าไว้การยิ้มก็คือตัวเมตตาจิตนั่นเองพอเรายิ้มไว้ในใจก็ มองเข้าไปในใจที่มันเต้นตุ๊บๆนะ่ะและเห็นเป็นดวงดาวเลยเป็นประกายใสยแล้วก็ยิ้มเข้าไว้เราจะรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยที่มันเต้นมันจะรู้สึกอ่อนลงความรู้สึกที่ร้อนในร่างกายเนี่ยที่เราเบียดเสียดกันเนี่ยมันร้อนเราก็จะรู้สึกเย็นเข้าไปในใจ พอเย็นเข้ามาในใจเรารู้สึกสงบเงียบแล้วก็ยิ้มเข้าไว้การที่จะระนึกนึกถึงคนที่ดีของเราที่สุดก็คือพ่อและแม่อันดับแรกๆเนี่ยใครนึกถึงพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยก็สัตว์เดรัจฉานแล้วชีวิตที่เราเกิดมาทุกวันนี้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยที่มีกินมีใช้มีอาการครบ32มมีสติปัญญาที่ รู้จักรักษาอาชีพสั ม, มาอาชีวะชอบของเหล่านีน้ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ให้โอกาสมาทั้งนั้นคนที่ดีที่สุดในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงตระกูลของเราการที่เรามาทำคุณงามความดีในวันนี้เนี่ย เราจะต้องน้อมจิตน้อมใจนึกถึงพ่อและแม่เราไว้ก่อนในอันดับต้นๆเลยแรกเลยถ้าเราไม่ให้มีโอกาสได้จากพ่อจากแม่เนี่ยจะได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตจะได้เป็นคนที่มาทำบุญสุนทานไหมก็จะต้องถูกปลูกฝังเรียกว่าต้นบุญบุญก็คือความว่างเปล่า คนที่มีบุญเนี่ยมักจะกินได้นอนหลับนะคนที่เป็นบาปเขาเรียกว่าบาปทางใจตกนรกทางใจก็คือความว้าวุ่นใจอำนาจของกิเลสปัญหาราคาที่เราหมกมุ่นอยู่ทางใจที่เราภาวะพวาวงหมกมุ่นนะคำว่าหมกหมกหมายถึงโถมทับขเข้าไปจิตใต้สำนึกของเรานั้นเนี่ย จึงมีแต่ความหมกมุ่นนะมุกไปเวียนมาอยู่สภาวะของกิเลส ก, ก็คือความโลภเราลองค้นหาตัวเราจริงๆว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะเสพกันทุกวันจนแก่ตายไปหรือหรือว่าเราจะเกิดมามีอำนาจถาวรมันเป็นมันเป็นไม่ได้ความดีมันมีความถาวอนเรานั้นอยากเจอพระดีๆ อยากมีพ่อแม่ที่ดีๆอยากมีฐานะดีๆมีสติปัญญาดีการที่เราดีนั้นเนี่ยมันจะต้องมีต้นบุญต้นทุนนี <Yeah. S 1> อาตมาอยากรู้เหมือนกันว่าไปกราบตรงไหนมันจะรวยอะถ้าเราไม่ทำมาหากินไม่รู้จักเก็บรู้จักหาไม่รู้จักแสวงหาคนมีพิบากกรรมนะ <Yeah. S 1> บางคนหาได้เช้าหมดเย็น บางคนมีเย็นวันลุ่ขึ้นก็ไม่มีกินอีกแล้บางคนรองเท้าแม้แต่คู่เดียวก็ไม่มีใส่บางคนเนี่ยเลวร้ายที่สุดตายแล้วไร้ญาติขาดมิตรไม่รู้ว่าญาติอยู่ไหนตายแล้วก็ไม่มีลงใส่ท่านลองนึกซิว่ามาเปรียบเทียบกับตัวเราที่เราได้ดีเนี่ยมียศฐานบรรดาศักดิ์ที่นั่งอยู่ในเนี้ยลองถามแต่ว่าโตมาเนี่ย เราได้ใช้แก้วแหวนเงินทองของพ่อแม่เนี่ยทั้งชีวิตน่ะท่านลองนึกดูว่าตั้งแต่พ่อแม่มีความรักกันเมื่อรักกันแล้วในการใช้ชีวิตคนที่มีครอบครัวจะต้องรู้เลยว่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยมันมีความยากลําบากมากเพราะหนึ่งอาจไม่เข้าใจกันเห็นไหมความไม่ค่อไม่เข้าใจกันห่างต่อความคิด ทางต่อสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันลำบากมากเมื่นเรามีเป็นลูกพี่ลูกน้องคนที่เป็นนายคนเนี่ยใครก็อยากเป็นนายคนแต่คนที่เป็นนายเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องมีความเฉลียวฉลาดต้องมีประสบะการณ์เขาคงไม่เอาไอ้คนโง่ไปอยู่เป็นหัวหน้าคนวัดก็เช่นเดียวกันบ้านก็เช่นเดียวกันถวัดดีมีพระดี วัดก็จะเจริญเพราะหลวงพ่อมีความเฉลียวฉลาดบ้านเราถ้าครอบครัวมีความเฉลียวฉลาดเนี่ยไม่มีวันตกอับได้คําว่าฉลาดเนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายในมันถูกซับพอร์ตมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเรียกว่าต้นบุญเรียกว่าเป็นเป็นฐานของการเกิดอยู่แล้วการเกิดของคนเหล่านั้นเลือกเกิดไม่ได้นะ แต่เราเลือกที่จะทําความดีได้เหมือนในขณะนี้มันอาจจะทําบุญทอดกรินทอดปลาป่ามามากมายทําบุญทําทานหลวงพ่อวัดที่นี่อ่ะสมบูรณ์ที่สุดละคําว่าสมบูรณ์ตรงไหนอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหลวงพ่อก็ถวายธรรมะรวมทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์หมอนมุ้งเนี่ยหลวงพ่อก็เกียมไว้ให้หมด เรายังรู้สึกว่ามันขาดเนี่ยสแสดงว่าเราคงไม่สมบูรณ์และสติปัญญาไม่ว่าวัดไหนพอ่อก็ต้องเรียลยัยนะเอาปัจจัยแต่หลวงพ่อไม่เคยเลยไม่เคยพูดถึงเรื่องปัจจัยเขาเอามาถวายที่ท่าก็แกะติดพุ่มเลยติดมันเดี๋ยวนี้นะก็จะได้รู้ว่าใครลังเลสงสัยแล้วไม่สบายใจก็เอาคืนได้ นะเอาคืนไปได้เลยเงินมันมีความสาคัญแต่ความสาคัญที่สุดนะคือจิตใจของเราใจของเราไม่เป็นกุศลเนี่ยเหมือนเรามีกำลังเนี่ยกำลังน้อยนิดเนี่ยแต่เอาดินก้อนใหญ่ไปเคลื้ยงเนี่ยมันไปไม่ไกลหรอกมันจะต้องอยู่ที่ใจเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ทุกวันเนี้จะต้องมีกำลังใจจากพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็ลูก แล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยต้องมีกำลังใจกว่าจะได้มาเนี่ยมียศมงกุฎครอบดาวกว่าจะได้ดาวเนี่ยโอ้โหฝึกกันทับตายสอบกันทับตายเรียนกันทับตายกว่าที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้พ่อแม่เนี่ยบางท่านเนี่ยตายไปเลยเลี้ยงลูกตายไปแล้วยังไม่มีโอกาสป้อนข้าวป้อนน้ำพ่อแม่เลยเป็นใหญ่เป็นโตลองนึกถือว่าเราเนี่ย เคยเห็นใจตัวเองไหมเคยมองตัวเองไหมว่าเออเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีแต่ความว้าวุ่นของเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเป็นข้าราชการไม่เป็นข้าราชการธุรกิจนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยลองถามตัวเองด้วว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราได้คิดถึงตัวเองมังม้ยไหมว่าโอ้เนาะ ชีวิตเราเนี่ยบวกหรือลบความคิดนะความคิดนิ ย, ยมนะถ้าเราคิดมากเครียดมากหน้าตาก็จะหม่นหมองแข่งเรือแข่งพายแล้วมันแข่งได้มันใช้กำลังแข่งบุญวัาสนาเนี่ยคนที่มาเป็นประธานวัดเขาอิติสุกโตเนี่ยนโทนักลบเนี่ยรุ่นส5มห้าก็รุ่นสามเจหลวงพ่อก็มีความหมายของหลวงพ่อเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเออาชะปัจัยอย่างเดียวเลือกนะไม่ใช่พระหน้าด้านผมว่าสองรุ่นเนี่ยจะต้องปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้ดีอย่างมหาศารบอกว่าเลยว่าสองรุ่นเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารของบ้านของเมืองเราแน่นอนดูเสียคนเนะ่ยมากันเต็มไปหมดตั้งแต่กลางคืนกลางวันเต็มไปหมด บางคนมีเงินมาถวายหลวงพ่อบอกหลวงพ่อฉันจะมาขอเป็นเจ้าภาพสิบล้านแต่ฉันขอเป็นเจ้าภาพครอบครัวเดียวได้ไหมบอกชาติหน้ากูไม่เอาไม่เอาเพราะคนอื่นน่้ไม่มีโอกาสการทำบุญร่วมขันตักบาทร่วมกันเหมือนกับเราที่ได้มาทำบุญของวัดเขวอิติสุกโนนั้นเราจะต้องมีความเกื้อกูลกันมาก่อนจะต้องมีกรรมดีร่วมกันไว้อาจจะไม่ใช่ว่ากรรมใกล้ชิด ที่เป็นลูกผัวตัวเมียเป็นญาติเป็นพี่น้องแต่เป็นกาลยานิมิตที่สะสมบุญร่วมกันมา<ะ>อย่างเช่นปนโทลนักลบเนี่ยเขาต้องสร้างบุญบรารมีของเขาไว้ไม่งั้นคนบอกปนโทนักลบรุ่นสามห้ากับสามเจ็ดจะมาทอดกระถินกูไม่เอาดีกว่ากูไม่ชอบมันกูไม่อยากทำร่วมกับมันเห็นไหมแต่นี่ทุกคนมากันด้วยความเต็มใจ แสดงว่าต่อไปเนี่ยประธานกฐินต้องมีภาระอย่างใหญ่หลวเหมือนกันรุ่นเนี้ยสองรุ่นเนี้ยรวมทั้งผู้ว่าการอายัดเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและอีกห ล, หลายท่านที่ไม่ได้กล่าวชื่อเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดังหรื อ, อยังไงขอบคัวฉันไม่รวยไม่ดังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หลวงพ่อถึงไม่ประกาศชื่อฉันถ้ามึงอยากดังนักมึงก็ ถือหนังสือมหากูจะประกาศร้อยห้าสิบเที่ยวนะว่ามึงอยากให้กูประกาศนะมึงหมดโอกาสแล้วนะมึงเอาปัจจัยถวายหลวงพ่อหมดแล้วยังไงมึงก็อดโอกาสเอาคืนแล้วถ้ากล่าวคำสาทุกแต่ตอนนี้ยังมีโอกาสนะโยมนะใครไม่มั่นใจว่าทำบุญแล้วมันจะได้วิบากกรรมเนี่ยมีที่ไหนทำบุญแล้วจะต้องให้อย่างนั้นให้อย่างนี้ มีเจ้าใหญ่ในโตมีแม่ทงแม่ทับมาจะให้จัดเก้าอี้นั่งหน้ากูให้นั่งทางเข้าประตูเลยปีนั้นกูจัดเก้าอี้ให้แม่ทับนั่งทางเข้าประตูคนมาจะได้ผ่านหัวลูกพี่มึงให้หมดเนี่ยไอ้ลูกพี่มาอายทําไมจัดกูที่หน้าประตูอย่างงี้กูบอกอ้าวเขาลูกน้องมึงบอกกูอะอยากนั่งหน้าจะได้ได้หน้าไงมันเลยสมน้ําหน้าโอ้โหลูกน้องนั้นหน่ากูจะแย่ฮะ โดนด่าเละเลยแต่ปีนี้มีความเรียบร้อยมากผมก็วัดนะอธิษฐานตั้งแต่คืนแล้วว่าปีนี้นกกระจอกให้ออกนอกศาลาถ้าหงให้อยู่ในศาลาจแต่ไม่ใช่ว่าคนด้านนอกศาลามันแน่นหลวงพ่อหาว่าเขาเป็นนกกระจอกต้องเข้าใจไม่ใช่นกกระจอกก็คือจอกจักโหคุยกันไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไร จะลืมว่าตัวเรานั้นเนี่ยต้องตั้งสตินั่นนกกระจอกเจียวเลยเห็นไหมมันฟ้องเลยว่าเนี่ยแกไม่ให้ข้าเข้าศาลาไงเนี่ยเจียวเลยเนี่ยมันมาฟอ้องฮะเพราะนั้นคนเนี่ยต้องมีจิตได้สำนึกนึกไว้เลยมีคนเราต้องนึกแต่สิ่งที่ดีๆทางนั้นคนที่นั่งเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันหมดแหละมีความต้องการเหมือนกันหมดแต่คนนะมันมองคนอื่นว่า โดยการเหยียดหยามอิจฉาอิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกเขาก็นึกว่าเป็นเจ้าภาพวัดหลวงพ่อเนี่ยจะต้องใช้เงินหลายหมื่นหลายแสนเจ้าภาพนึง4ี่พันบาทมาเต็มหมดเลยแล้วพระจัดให้เต็มเหนี่ยวเลยจัดหมดอาหารการกินอย่างก็วีไพเลยกูยังไม่ได้กินอย่างมึงเลยไอ้นักรบ กูยังลอกข้าวข้างข้างๆร้านเนี่ยเจัดให้เพื่อให้เกียรติให้เกียรติสําหรับคนที่เขามีใจเป็นกุศล น, นะใครก็ได้นะที่มีใจดีเนี่ยหลวงพ่อก็ทําเลี้ยงคนมาสามวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สามถามว่าหลวงพ่อครับเหนื mm ่อยไหมกูถามว่ามึงลงมาเป็นเจ้าวาดอย่างกูง mm hmm. มั้งสิเหนื่อยไหมอ่ะ สภาพกูเนี่ยตาอย่างกับคนถูกเย็บตาแล้วตาตีเลยนอนตั้งตีสองตีสามบางคนก็บอกมาช่วยดูหมอให้หน่อยบอกมึงไปโรงพยาบาลเลยนะหมอเขาอยู่โรงพยาบาลกูพระอยู่วัดมึงอย่ามาดูที่อะไรกูเออประสาทวันนี้เขาทาบุญกันเขามีแต่เรื่องดีๆจะมาถามเรื่องชัว่วมาเล่าเรื่องชัว่วใหลวงพ่อฟังบอกกูไม่ฟังกูกำลังได้เงินกู มึงไม่ได้เงินมึงอิจฉากูมึงก็ยังมาบวชอย่างกูเนี่ยถึงจะได้เงินถ้าไม่ดีเขาคงไม่ให้เงินเหมือนกันเพราะ น, นั้นเชื่อ ว, ว่าจิตใจของท่านทั้งหลายก็คงอยากขี้คลายความปุ้งซ่านเพราะว่ามีจิตจดจ่อที่ได้ฟังเสียงหลวงพ่ออาจจะไม่ได้เพาะสนอจับใจเท่าไหร่นักแต่ก็เอาไปคิดเองว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ย ถ้ารู้ว่าบาปไม่มีบุญไม่ได้เนี่ยกูไม่บวชแร้วกูก็อยากไม่มีเมียอย่างเพวกมึงนี่แหละกูก็มีกระเจียว อ, ะอ่ะฮะเออแต่กูรู้แล้วกูเห็นเลี้ยงลูกหน้าดําหัวหยิกหมดผีคนที่สวยๆมาวัดกลัว่าโหวสวยอยังงั้นนางงามครับพอได้ลูกซะหน่อยเดียหน้ายัางก็ผีเปรตนะะเออผมผมไม่มีเวลากางเกงนอกกางเกงในใส่ยังผิดตัวมาเลยอะ่ะมึงลองคิดดูแล้วกัน บทีมันก็บอกว่าหลวงพ่อมันใช่เนื้อคู่หนูจริงไหมเนี่ยบอกมึงอยู่กี่กปีบอกยี่สิบกว่าปีกูบอกนี่มึงผีเปรตแล้วมึงไม่ใช่เนื้อคู่ได้ยังไงนี่มึงเบญกรรมแล้ว น, น, นะนะคนมันก็สิ้นปัญญาสิ้นคิดมาถามหลวงพ่อเออมันมันไม่ใช่นะบางคนมาถามเรื่องธุรกิจบริษัทฉันจะเจริญไหมนะกูไม่เคยมีบริษัทเลยวัดกลัว แล้วกูก็ไม่เคยค้าขายที่อะไรแดกเลยกูจะเป็นไหมเนี่ยแล้วพระเสือกรู้หมดเชื่อกูกว่าเจ๊งทุกไลน์คเชื่อกเอูเถอะเพรากูไม่เป็นนะฮะกูจะต้องถามพวกมึงเฮ้ยเป็นทหารมันดีไหมเป็นตำรวจดีไหมเป็นพ่อข้าวานนิดดีไหมเป็นพ่อแม่เนี่ยมันเป็นยังไงมึงมีผัวดีไหมบางคนหน้าดําเลยพอถามว่ามีผัวดีไหมหน้าดําทันทีเลยนะติดดิสแบกเลยพักเดียวคุยด่าแหลกเลย ลุงี้ฉันไม่แต่งงานสักดีอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกไม่ดีมันขึ้นอยู่กับบุพกรรมบุญและกุศลครั้งนี้ขอให้บรรดาญาติโยมนั้นจงได้รับกุศลผลบุญเป็นมหาบุญมหาทานเราได้ทําบุญร่วมกันตักบาตรร่วมกันมากมายขนาดนี้ทานก็กองใหญ่กระถินก็กองเยอะขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะ แล้วขอให้ท่านทั้งหลายมีกัลยาณิมิตรที่มีบริวารที่ดีเป็นกุศลมากขนาดนี้กลับไปเนขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความปกปองดองรักใค ร, คร่สมัครสมานสามัคคีกันแล้วกว็กลับไปคราวนี้เนี่ยให้สามีรักภรรยาภรรยารักสามีแล้วกว็กลับกายให้ลูกนั้นน่ยมีจิตได้สํานึกที่ดีหลุดพ้นจากเปตอสุรกายสัตว์ในแหลชาน ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงตั้งใจที่จะได้อานุโมทนาบุญในกระถินในวันนี้อย่าเพิ่งคุยนะตั้งใจไว้ก่อน